ประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเสนอตอนที่24เที่ยวกรรมฐานเสือกินควายและเรื่องหมูหมูกับหลวงปู่มัน่น หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนได้ให้อวาตธรรมเอาไว้ว่าผู้ปฏิบัติจำต้องมีสติปัญญาใกล้ชิดกับใจอยู่เสมอเกี่ยวกับการขบฉันทุกๆครั้งปั่นเพื่อใจจะได้มีความเคยชินต่อการพิจารณาและการรักษาตนในท่าต่างๆคือท่ายืนท่าเดินท่านั่งท่านอนท่าขบฉันตลอดการทำข้อวัตปฏบติบัติปัดกวาดต่างๆอันเป็นจิตของพระ จะพึงทำไม่ปล่อยสติปัญญาอันเป็นประโยชน์แห่งความเทียนประสจาก์ใจการกระทำทุกอย่างจะกลายเป็นเครื่องเชิดหุ่นที่ไม่มีความหมายของงานไปโดยไม่รู้ตัวปัญญาเป็นอัตโนมัติเป็นหลักธรรมชาติเพราะฉะนั้นตั้งแต่ระดับพระอนาคามีแล้วจึงเป็นอัตโนมัติในกิจดวงนั้นเช่นเดียวกับผลไม้ที่เริ่มหามแล้วนั่นแหละเทียบกับขั้นอนาคามิ่เต็มที่แล้ว ก็ค่อยจะสุขไปเรื่อยแก่ไปเรื่อยจะเอาลงมาบ่มหรือให้อยู่กับต้นก็ไม่ผ้นที่จะสุขนั่นเป็นอัตโนมัติแล้วไม่มีคำว่าจะเหี่ยวจะแห้งจะเน่าเสียไปเหมือนจิตที่ยังไม่แน่นอนเหมือนผลไม้ที่ยังไม่แน่นอนต่อความสุขเมื่อมันแก่แล้วจนกระทั่งถึงขั้นหามแล้วนั้นยังไงก็ไม่เป็นอื่นจะไปทางสุขโดยถ่ายเดียวเท่านั้นจิตเมื่อได้ระดับแล้วก็เหมือนกัน จะค่อยแก่เป็นหลักธรรมชาติของตัวเองไปเรื่อยๆหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนได้เล่าชีวประวัติของท่านในขณะออกเที่ยวทุดงในที่ต่างๆเอาไว้ว่าเราออกเที่ยวกรรมฐานไม่เคยเว้นเลยแต่ละปีพอออกพรรษาแล้วก็ออกไปเที่ยวอยู่ตามป่าซอก่อน ระยะเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ไม่ต้องแสวงหาที่มุงที่บังอยู่ตามเชิงเขาเพราะอากาศมันก็ยังไม่ร้อนเที่ยวอยู่ตามโร่มไม้ถ้าเข้าหน้าร้อนเดือนมีนาคมจะก้าวถึงเดือนเมษายนขึ้นเขาขึ้นถ้ำในถ้ำอากาศเย็นบางทีเสือมันมากัดควายอยู่ข้างๆมุงก็มีเสียงควายร้องดังเอิ๊ อ, อักเอกิ๊กอักเราก็ผึงผางออกไปจากมุงดูว่ามันมาทําอะไรกันอยู่ เสียงเราดังลั่นขึ้นมันก็เลยเงียบไปลำน้ําอูนทางที่จะต่อไปทางหนองผือเป็นดงฟังเสียงควายร้องข้างๆริมลาน้ําอูนเสือก็อยู่ทางนี้ควายก็จินอยู่ทางนี้บ้านก็อยู่ทางนั้นแล้วเราก็อยู่ฝั่งนี้คือมันกัดกันใกล้บ้านกลางคืนพอฝนกระหน่ำลงมาเสือโคร่งเข้ามากัดควายเราก็ร้องเวริรกว่าขึ้นทีนี้ลูกควายมันวิ่งเข้าไปในบ้าน แม่มันถูกเสือกัดแล้วก็ตะเกียกตะกายลงไปริมน้ําอุ่นไอเสือตัวนี้ก็ไม่กล้าจะตามลงไปเจ้าของเขาเห็นช่ามไม่ดีอ้าวลูกายตัวนี้มันมาอยังไงไม่ใช่เสือกัดแม่มันเหรอเขาเลยรีบออกมาออกมาก็พอดีมาเห็นเสือกัดอยู่ข้างนอกนี้เขาก็เลยมาก่อไฟให้มันป้องกันไม่ให้เสือมากัดซ้ําอีกเพราะถ้าไม่มีไฟเสือมันอาจจะมาถ้ามีไฟก็แสดงถึงเครื่องหมายของคนมันก็ไม่มา เราอยู่ลำน้ําอุ่นฝั่งนี้เสืออยู่ฝั่งโน้นเขาก่อไฟฝัฟ่งโน้นเราไปพักอยู่บนยอดน้ําอุ่นจริงๆอยู่ภูเขาโ น, น่นแม่น้ําอุ่นไหลออกไปเราไปอยู่ภูเขาเราก็ได้อาศัยน้ําทางน้ําอุน่นพอบ่ายสามโมงลงมาจากภูเขามีกระบอกไม้ไผ่กับกานน้ากระบอกไม้ไผ่ใส่น้ําเขาเรียกว่าบาั้งทิ่งกานน้าก็กาไม่ใหญ่และกระบอกไม้ไผ่ก็ปล้องเดียวสภายกระบอกน้ําเขอขึ้นไปถึงบนเขา ก็ไปอาบเหงื่อเจ้าของนั่นแหละลงมาก็ไปอาบน้ําขึ้นไปก็ไปอาบเหงื่อวันละหนที่ไปอยู่นั้นเพราะทําเลภาวนาดีแต่น้ําสําคัญมากไปอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าขาดน้ําอยู่ไม่ได้นะสถานที่ทําเลถึงจะดีขนาดไหนก็ตามถ้าไม่มีน้ําอยู่ไม่ได้ตะวันบ่ายก็ลงไปอาบน้ําและสะพายกระบอกน้ํากลับกาพอดีกับวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นเราไปอยู่ในที่เช่นนั้น จะว่าได้ชมนิสัยวัสนาบ้างก็น่าจะได้ชมทุกลําบากลาบนอยู่ในป่าในเขาไม่มีผู้มีคนแทนที่จะมีความว้าเหวกังวลเกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนเงียบเลยนะมีแต่สัดกับธรรมกับธรรมนี่เราไปอยู่คนเดียวสงัดอยู่ด้วยธรรมด้วยอารมณ์ของธรรมไม่มีอารมณ์ของโลกมาเจือปนเลยมีแต่อารมณ์ของธรรมเท่านั้นกลางคืนเวลามันเงียบเงียบจริงๆอยู่บนหลังเขาสูงๆอาการละเอียดมากร่างกายของเรามันอยู่ที่ละเอียด อากาศก็ละเอียดเหมือนกับว่าคลานเข้ามามันซึมเข้ามาหาเราเวลาภาวนาเงียบๆ เ, เริ่มเข้าที่ภาวนาได้ยินเสียงหัวใจทํางานดังตุบตับ ต, ตุบตับได้ยินชัดมากพอจิตเริ่มเข้าที่หัวใจทํางานก็หายเงียบไปจากนั้นหายแล้วกายก็หายเงียบไปเลยยังเหลือแต่ความเวิง้งว้างไปหมดร่างกายนี้จะหายไปตามกันตามกันคือจิตมันหมดกังวลกับสิ่งเหล่านี้มีแต่ความละเอียดของจิตความละเอียดของจิต หาจิตหมายไม่ได้ร่างกายเป็นส่วนหยาบพอจิตเข้าสู่ตัวเองโดยเฉพาะแล้วร่างกายหายเงียบจิตก็เข้าละเอียดสุดขีดไม่เกี่ยวกับร่างกายนั่งภาวานากลางคื น, นหนาวเข้าสมาธิได้แล้วความหนาวไม่มีความหมายความหนาวหายหมดเริกระทั่งจิตมันได้เป็นร่ำเวลาภของมันเคลื่อนไหวออกมาพอเคลื่อนไหวออกมามันก็รับสิ่งภายนอกดินฟ้าอากาศเริ่มหนาวอีกอเริ่มหนาวแล้วจะนอนหนาวมันก็หนาวของมัน เราก็เริ่มนอนนอนไม่หลับสู้ความหนาวไม่ได้แล้วกลับมานั่งอีกพอเข้าไปนั้นอีกก็หายเงียบเลยแล้วทั้งคืนมันจะตายคนเรามันไม่ได้เดินมีแต่นั่งตกกลางวันต้องกําหนดหเวลาเวลาเหมือนมีโปรแกรมเชียวกลางวันเดินปึงปมมากๆประการหนึ่งถือว่าเราไม่มีผ้าหม่มมีเพียงจีวรสังคติสังคติก็พับครึ่งจีวรก็พับครึ่งหม่มแล้วก็เอาผ้าอาน้าพื้นหนึ่งสําหรับเช็ดบาทมีเพียงเท่านั้นแต่ว่าขวัญขวัญน้อย หรือไม่ขวานขวายน้อยก็มีเท่านั้นอย่างเป็นของเหลือเฟือขึ้นไปก็ม้งก่าน้ำกรดมุงกับกรดเวลากลางออกแล้วก็เป็นอันเดียวกันบาดสังคาติอะไรอะไรใส่ในบาดไม้ขิดไฟใส่ในบาดมีเท่านั้นเสร็จแล้วพอดีสะพายเลยหลวงตามหาบัวญานสัมปันโนได้เล่าถึงหลวงปู่มั่นเอาไว้ว่า วันหนึ่งท่านเนตรหมายถึงท่านพระอาจาร์เนธกัมตัดสีโลนั่งอยู่ติดทางบันไดส่วนเราก็นั่งอยู่ที่ติดกับพ่อแม่ครูจาร์มั่นสนทนากันสักประเดี๋ยวเท่านั้นพ่อแม่ครูจาร์มั่นก็พูดขึ้นว่าโอ้ฟันเรามันหลุดฟันหลุดหายตอนอาบน้ำหลุดที่ห้องน้ําหรือเออก็ที่ห้องน้ํานั่นแหละพะแม่ครูจาร์มั่นท่านว่าอย่างนั้นเพราะว่าอย่างนั้นเราก็ลุก ป, ปุ๊บ ป, ปัป๊บท่านเนธก็ลุก ป, ป, ปุ๊บปั๊บเลยท่านอยู่ใกล้ห้องน้ํากว่าเราท่านก็ลงได้เร็วกว่า เราอยู่ด้านข้างในกว่าจะออกมาทะเนตรไปก่อนแล้วพอไปถึงห้องน้ําเราก็จับหลังท่านใสให้ล้มลงแต่กระหลอกแหลกหลอกแหลกศาสสองมองหาแต่ทะเนตรก็พบฟันก่อนเรานะพอดูดีๆกลายเป็นฟันลองหมายถึงฟันปลอมอุ๊ยนึกว่าฟันจริงหมดท่าเลยทั้งคู่ก็หัวเราะเออบาปเป็นสู้บุญไม่ได้นะเราไม่ซื่อสัจสุจริตนี่พราแม่ครูลจริมั่นท่านก็ดูอยู่คงคิดว่าพวกบ้าสองตัวนี้มันทําอะไรกันอยู่ หลวงตามหาบัวยาสัมปันโน เ, เล่าถึงความฝันของพระอาหารหันต์เอาไว้ว่าเรื่องความฝันนี้ก็เป็นเรื่องของธาตุของขันธ์ทำไมพระอาหารหันต์จะฝันไม่ได้ขันห้าเป็นสิ่งที่กระดุกกระดิกได้เหมือนทั่วไปท่านบรรลุมากผลนิพพานท่านสังหารขันห้าให้ชิพหายไปแล้วหรือขันห้านี้ยิงดีดยิงดิ้นไม่ได้การดีดได้ดิ้นได้ก็ฝันได้แล้วสิขันเป็นขันทาไมจะฝันไม่ได้ ตัวอย่างให้ชัดๆก็อย่างพ่อแม่ครูจารย์มั่นวันนั้นท่านไม่ค่อยสบายและท่านนอนหลับท่านละเมอไปเราเดินตรลงอยู่ข้างๆนั้นเราก็ปุ๊บปับ๊บแต่ท่านเร็วนะเพรท่านของได้ยินเสียงเราเดินจิบฉิบฉิบๆเข้าไปใครท่านว่างั้นเราก็กราบเรียนท่านว่าผมมาหาได้ยินเสียงพ่อแม่ครูจารย์ดังผิดปกติเราก็กราบเรียนท่านว่าอย่างนั้นอ๋อฝันละสิฝันเมื่อตะกี้นี้ฝันเรื่องเกี่ยวกับหมาดุหมาไล่หมา พ่อแม่ครูจั น, นทันท่านว่าอย่างนั้นที่ว่าถ้าสําเร็จธรรมท่านสูงสุดคืออรหันตภูมิแล้วท่านไม่ได้บวชจะตายภายในเจ็ดวันก็เหมือนกันทำให้คิดเหมือนกันนะวิสุทธิธรรมหรือวิสุทธิกิตนี้เป็นเพชฌฆาตห้าขันห้าชิวหรืออันนี้ไม่ใช่เพชฌฆาตนี้หนาะสิ่งใดที่ควรไม่ควรพระอรหันต์ท่านจะรู้ของท่านเองถึงขั้นนี้แล้วจะไม่มีใครมาบอกก็ตามท่านจะรู้วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องขันของท่าน เหตุใดจะต้องไปตายภายในเจดวันด้วยหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนได้เล่าถึงเรื่องหลวงปู่มัน่นกับหมูเอาไว้อย่างน่าฟังอีกว่าบางทีพ่อแม่ครูจานมัน่นท่านพูดนีิตลบขบขันอยู่กับท่านมันหักหัวเราะไม่ได้เราจะตายนะบางทีกลั้นหัวเราะไม่อยู่มันอดหัวเราะไม่ได้นะมันทําไมเป็นอย่างนั้น ท่านพูดแปลกๆหากเป็นคติขบขันด้วยอยู่ในตัวนี่แหละวันหนึ่งเรามันดื้อละสิหมูตัวขนาดกระโจนแต่ตัวมันอ้วนอ้ว น, น่ารักมันเดินไปขุดดินไปดินมารินถนนจนเป็นร่องมันก็จะหมูกมันขุดหญ้าแห้วหญ้าแห้วหมูกินจนเพลินเพราะแม่ครูจันทร์มั่นทั้งก็เดินมิถะบานไปทางนั้นองค์ท่านพูดไปพลางมองหางตายับมาหาเรานี่เห็นไหมหมูเขาไม่มีจอบไม่มีเสียมเขายังขุดได้เห็นไหม เขาไม่ยอมตายเขาขุดกินหญ้าแห้วหมูเห็นไหมพระเราจะไปง้ออะไรกันนักกันหนาปัญญามีขุดลงไปสี่ท่านว่าอย่างนั้นอุบายของท่านออกอย่างนั้นอันนี้พอท่านผ่านไปแล้วเราก็ไปเจอหมูตัวถัดไปมันกำลังเอาจมูกขุดดินกินหญ้าแห้วหมูเราไม่ได้ตั้งเจตนาอะไรนะเราเดินไปที่นั่นเวลามันขุดอยู่นี่มันจะทำยังไงเราจรึงสอดเท้าเข้าไปใต้ท้องมันตื่นกระโดดนี้ตกลงล่อง ตกลงไปแล้วมันก็ยังไม่แล้วยังหงายท้องชี้ฟ้าขึ้นอีกท่านมองมามันเป็นอะไรมันเป็นอะไรเพราะแม่ขูจันนั่นท่านอุทานว่าอย่างนั้นไอเราก็ไม่ทราบว่าจะพูดยังไงมันขบขันนี่สิเรื่องมันขบขันนะว่าแต่พระไม่มีปัญญาบทเวลาหมูตัวมีปัญญาตกไปนี้หงายท้องเลยมันอดหัวเราะไม่ได้ทีนี้ถึงเวลาให้พรท่านเป็นองค์ยะถาสัพพีส่วนเราเป็นคนรับสัพพีพอถึงคําว่าสัพพี เราก็รับไม่ได้เราก็นิ่งกลั้นหัวเราะจะรับได้อย่างไรมันคอยจะพุ่งออกมาอยู่นี่นะเราก็เลยรับไม่ได้นี่นะท่านก็รับสัพพีคนเดียวหมูเพื่อนก็เลยรับทางโน้นเราก็เลยสัปพีไม่ได้เลยละ่ะทีนี้พอพ้นหมู่บ้านแล้วท่านก็ว่า ท, ทําไมทึานจะถาให้สัปพีไม่เห็นรับผมอยากจะหัวเราะมันขำจะตายเออเท่านั้นก็อยากหัวเราะท่านว่าอย่างนั้นมันขบขันนะเพระท่านพูดท่านไม่มีอะไรนี่นะ ให้เราเป็นบ้านี่อดหัวเราะไม่ได้ที่เราทำหมูไม่ใช่อะไรนะเราทำด้วยความรักหมูต่างหากเราไม่ได้ทำด้วยความแกล้งท่านอะไรแม้นไม่ถิไไนได้ทายหนึ่งก็ไม่มีแต่นี่เราพูดสนุกเฉยๆทําไมมันถึงฉลาดนักหมูเรานี่นาะมันลักษณะอย่างนั้นแต่ความจริงเราไม่มีเกตนาอย่างนั้นคือมันอ้วนมันน่ารักนี่นั่นล่ละเรื่องมันเป็นอย่างนั้นขบขันจะตายเพราะแม่ครูจนันทร์มั่นถ้ามีอุบายแปลก ที่เราไม่เคยคิดเคยคาดนะจะเจออะไรนี่จะออกมาปุ๊บปุบเป็นคติทางนั้นนี่คือเป็นนิสัยของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นสมกับท่านเป็นครูเป็นอาจารย์จริงๆคําที่ว่าศาสดาไม่ใช่ขึ้นบนธรรมารนั่งเทศแล้วถึงจะเป็นศาสดานะบทอากัปกิริยาทุกอย่างความเคลื่อนไหวไปมาขององค์ศาสดานั่นแหละคือครูเอกนะเป็นคติจับมาเป็นคติได้หมดเลยไม่จําเป็นจะต้องตั้งหน้าตั้งตาเทศ ให้การอบรมสั่งสอนถึงจะว่าเป็นศาสดาความเคลื่อนไหวไปมาขององค์ศาสดานั่นแหละคือครูของโลกตลอดยึดได้หมดเป็นคติอันนี้พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นก็เหมือนกันเคลื่อนไหวอะไรออกไปมีแต่เป็นคติพูดออกมาแยบแยบหนึ่งก็มีคติเตือนใจบางทีเวลาองค์ท่านเปิดเต็มที่ท่านบอกว่าถ้าจะสมมุติเอาบริเวณที่เขาล้อมรู้ของวัดนี้มันกว้างขว้างขนาดไหนคนเต็มทั่วโลกนี้ สู้จิตวิญญาณในบริเวณวัดนี้เท่านั้นไม่ได้ท่านว่าอย่างนั้นคือท่านยกเอาคนจะพาะคนหมดทั้งโลกนี้ไม่รวมสัตว์นะเพราะยังสู้จิตวิญญาณในวงวัดนี้ไม่ได้ท่านว่าอย่างนั้นลึกลับมาแต่ไหนแต่ไรลึกลับสําหรับสายตาของคนแต่ไม่ลึกลับสําหรับความจริงต่อความจริงความจริงต่อความจริงคืออะไรคือธรรมชาติที่รู้ก็รู้ตามความเป็นจริง